เวลาใครมามาสํานักถามว่าสวัสดีจะนกแขกเต้ามันก็บอกกระดูกกรนะดูกไม่ได้ตอบว่าสวัสดีครับนะมันบอกกระดูกรนะดูกระดูนะกระดูอย่างเดียวเลยนะแล้ววันหนึ่งเนี่ยก็บันเพลอนะโดนเหยี่ยวเนี่ยโฉบไปเลยนะเหยี่ยวนี่โฉบนกแขกเต้าไปแต่ว่าพระเทรีนี่ก็เห็นนะก็พากันเอาอะไรคว้างเหยี่ยวนะเพื่อให้มันปล่อยนะ ปล่อยนกแขกเต้าเดี่ยวนี่ก็ปล่อยนะปล่อยนกแขกเต้าเป็นอิสระก็ปลอดภัยเมื่อ น, นกแขกเต้านี่กลับมาถึงสำนักนก็พราเทรีก็ถามว่าเป็นยังไงเมื่อกี้เดี่ยวมันข่าไปนี่มันโชบไปนี่กลัวไหมตกใจไหมนกแขกเต้าพูดได้นะมันพูดมันรู้ภาษาคน มันก็ตอบว่าไม่กลัวเลยเพราะว่าตอนที่ถูกโชวไปเนี่ยมันเห็นแต่กองกระดูกจับกลองกระดูกนะเห็นแต่กองกระดูกนะจับกองกระดูกแล้วก็กองกระดูกนะั้นไม่นางก็สลายไปมันเป็นธรรมชาตนั่นเองตอนนี้นกแขกเต้านะมันพิจารณามันท่องกระดูกกระดูกไปจนท้ามันเห็นเดียวนี่เป็นกองกระดูกไปด้วยนะ มันไม่ใช่เพีงแต่เห็นตัวมันเองเป็นกองกระดูกเท่านั้นนะมันก็เห็นนกเห็นเดียวเป็นกองกระดูกเลยไม่กลัวไงนะกระดูกจับกระดูกมันก็ไม่มีอะไรนะสุดท้ายกระดูกก็แตกแตกสลายไปนกแขกเต้านี่เพียงแค่มันบริกรรมกระดูกกระดูกนี่มันเข้าใจความหมายนะแค่คําเดียวเท่านั้นนะพวกเรานีนะ่นักเรียนหรือผู้ใหญ่ก็ตามนะมันก็เมื่อได้ฟังธรรมะนะหรือได้ฟังคําสวดมน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 บำเพ็ญทุกรักิริยาหกปีเต็มๆนะันแล้วก็ในที่สุดพบ ว, ว่ามันไม่ใช่ทางคนเราเนี่ยทุ่มเทแล้วสักอย่างเนี่ยปีเต็มเนี่ยเอาชีวิตเขาแรกแล้วพบว่ามันไม่ใช่คำตอบนี่ต้องทอแทนนะปุจจานเนี่ยคงจะทอแทนเหมือนกันว่าโหทำ ม, มาหปีแล้วไม่ได้ไเลยเลยศูนย์เปล่าเจ็บตัวเปล่านี่นะก็เหมือนกับว่าสับสนไม่รู้จะทาอย่างไรจะทาอย่างไรต่อไป แต่ก็มีช่วงหนึ่งที่ท่านได้นึกถึงว่าตอนที่ท่านเป็นเด็กเจ็ดขวบแล้วก็ได้มานั่งอยู่ใต้ต้นไม้แล้วก็ได้พบกับความสงบมากตอนนั้นได้ได้ว่าเขาก็เล่าว่าท่านได้ได้ถึงฌาณเลยนะท่านสงบจนทั้งจิตนี่ถึงขั้นฌาณเลยระหว่างที่พ่อคือเจ้าชายอ่เจ้าพระเจ้าสุทธโธทนะกำลังทาพิธีแลกนาขวัญ น, นะเจ้าชายสิทธัตถะวัยเจ็ดขวบก็มานั่งใต้ต้นไม้จิตสงบมาก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 แห่งการปฏิบัติเพราะฉะนั้นพวกเรานี่นักเรียนกลับไปแล้วนี่ให้จดจําความรู้สึกดีๆเอาไว้นะแล้วก็จดจําคําสอนบนคําเทศเอาไว้ให้ติดหูติดใจบ้างเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างไม่เป็นไรแล้ววันข้างหน้ามจะช่วยได้น ะ, ะแล้วก็เตรียมรับพร